สนสู่ธรรมเรื่องการท่องสำรวจชีวิตโดยอาจารย์โกวิทอเนกชัยเขมานันทะวันที่19กลุุ่มภาพันธ์พุทธศักราช2528ันารยิยชั้นสูงโดยไม่แยแสต่อจริยธรรมหรือข้อจำกัดซึ่งฝ่ายเิราวาฒห้ามหรือเน้นมากว่าทำไม่ได้ นี่เป็นมิติของพุทธศาสนาครับก่อนผมจะขึ้นสู่เนื้อหาของการท่องสำรวจชีวิตนะครับาจะทวนความหลังไปสักอาทิตครับเมื่อวันมาคบบูชาที่แล้วมาซึ่งเปรเื่องไปรตรงวันวาเลนไทยเข้าที่จริงก็ไม่มีความหมายอะไรครับเพราะวันทุกวันคือวันธรรมดาทั้งนั้ น, นครับไม่ใช่ ไม่ว่าวันจันทร์วนคานมนทิศวันพุธพฤหัสแม้ว่านักโหราศาสตร์หรือนักวิทยศาสตร์จะชี้บอกว่ามันผิวโลกด้านที่หันไปสู่วงอวกาศกว้างไพศาลนั้นอยู่ภายใต้จักรราศีอะไรที่จริงจักรราศีเรื่องธรรมดาธรรมดาครับความตื่นเต้นที่วันวาเลนไทน์ตรงวันมาคะนั้น ไม่น่าจะเกิดกับชาวพุทธแต่ไงก็าตามนะผมรู้สึกมีการเคลื่อนไหวคึกคักทั้งโทรทัศน์ทั้งวิทยุผมเองมีส่วนเข้าไปพูดกับเขาด้วยภายใต้เงื่อนไขของเวลาแต่แล้วเรื่องที่ค้างใจก็เลยนำมาพูดที่นี้ครับเพราะเวลาที่นั่นไม่เอื้อมหน่อยให้ทำได้ข้อจำกัดของฐานการณ์บางอย่างทำให้เราไม่อาจที่จะ จะเลี้ยวแสดงหรือเปิดเผยในสิ่งนี้ที่เราอยากจะพูดอยากจะกล่าวเช่นเดียวกับความสัมพันธ์ทั่วไปนั่นเองครับเมืราเจอแขกแปลกหน้าเราก็พูดได้นิดหน่อยคนสนิทกันก็พูดได้มากพูดได้เป็นคืนคืนหรือถึงขนาดสนิทจนกระทั่งอาจจะทะเลาะ ก, กันก็ได้อย่าคิดว่าการทะเลาะเนี่ยเป็นฝักฝ่ายลบและมีโทษนะคร ทีคเราเมื่อทาลาะกันแล้วนี่ดีขึ้นก็นมีจะได้ยังรู้พลังของกันและกันครับข้อสังเกตของผมนะครับว่าจารงศ์สันนิบาตสิ่งมหัจศจรรย์สี่ประการ น, น, นะครับเกิดขึ้นอย่างน่าทึ่งในคืนวันมาฆะเมื่อหลายพันปีที่แล้วมาผมคิดวรื่อนธรรมดา นี่ไม่ใช่ความพยายามที่ลดอภินิหารของพระพุทธองค์หรืออะไรท่านหลงนะครับเหตุที่พระสาวกพันสองร้อยห้าสิบรูปเดินทางมาเฝ้าพระเจ้าโดยไม่ได้นัดหมายก็เพราะว่าอยู่ในช่วงเทศกาลสิวาราตรีชาวอินเดียกับเทศกาลนี่เป็นคู่ขวัญผมคิดว่าอินเดียเป็นรองก็แต่บาหลีเท่านั้นบาหลีสามร้ยห้าหกสิบกว่าวันมีเทศวัลแทบทุกวันครับ ชีวิตกับวัฒนธรรมนี่เป็นอันเดียวกันชาวเปนเดียวก็เหมือนกันครับเมื่อมีเทศกาลในช่วงโดยเฉพาะช่วงนี้นะเทศกาลเดียมากมีกุมภาพเมลามหาเมลาโฮลีสุวาลาตรีมากมายครับในช่วงนี้นะครับที่จุฬาตรีคูนเนี่ยประชาชนฮินดูจะไปรวมกันที่ที่เขาเรียกสังคมแม่น้ำสามสายไร้บรรจบคงคายมุนาสุลสุตีเนี่ย ปีละเป็นยี่สิบล้านผมมาเงินไปในช่วงมหาเมลาวดีครับมองไว้ที่เวิงน้ำานมีแต่หัวคนนะครับไม่มีที่จะเดินภาษาวกพัน0ร้สิบรูปนั้นแม้จะเป็นอรหันต์หมดสิ้นอสวกิเลตแล้วก็ตามแต่แนวโน้มแรงจูงใจของความเป็นฮินดูกันยังมีอยู่มาถึงคืนสำคัญสิวาราตรีอดีต ท่าเหล่านี้เป็นนักศาสนาคงไปลิ้มไปน้ําคงคาแน่ครับไปทําพิธีอะไรตามพิธีกรรมความเชื่อเก่าแต่หลังจากเปลี่ยนใจมานับถือสุพสุตโองค์แล้วนะครับแล้วพระเจ้าวบวชให้กับมือด้วยไทยโบราณชาวบ้านนะฮะบวชให้กับมือด้วยดังนั้นโดยไม่ได้นัดหมายก็เดือนแจ้งเดือนหายประจันสวยมาค้าเลิกเขาคงไปหาคนในตัวเองรักใคร่ที่สุดแล้วเป็นเหมือนพ่อโดยเหตุ น, นั้น ดูไปแล้วก็ใกล้เหตุอัศจรรย์ที่จริงเป็นเรื่องธรรมดานะผมมองกันนะครับแต่ถ้าอัศจรรย์จริงก็ดีก็ดีไปอย่างครับแต่ผมชอบมองปรากฏการณ์จริงบนคือโลกจากสังคมมนุษย์จากกิเลสตัณหาจากความสิ้นไปของกิเลสตัณหาจากแรงจูงใจผมเชื่อว่าแม้คนเราจะสิ้นเอาวสว่ากิเลสแนวโน้มเองนี้ยังมีที่เรามากักจะยยินในนามวาสนานครับ ว่ากันว่าพระรัชธรรมยุสาวกสิ้นอาสวะแล้วแต่ไม่สิ้นวาสนาดัง น, นั้นพฤติกรรมแปลกๆของพระรหันต์ขีนาศพก็มีครับเช่นแสดงออกทางวาจาราวกับกลัวตายแต่ทั้งจริงท่านไม่ได้กลัวอย่างพระหันรูปหนึ่งไปจำวัดอยู่ที่ถ้ำแล้วพอเอิญมีงูพิษตกจากพยานถ้ำมากัดท่านที่ข้อเท้าท่านกระโดดและตะโกนว่าเร็ว หามเราไปเดี๋ยวจะเป็นแกลบพวกศิษย์ก็สงสัยเพราะรู้กันว่าพราะหัมจะไม่กลัวตายแต่ทําไมท่านกระโดดด้วยแล้วก็บอกเร็วหามเร็วเดี๋ยวจะเป็นแกลบแกลบหมายถึงว่ามันจะไหม้พิษจะเข้าร่างศิษย์คนกล้าก็ถามว่าทําไมท่านอาจารย์ยังกลัวตายอยู่ไหนว่าหมดอาสวะท่านก็เปลงอุทานภาสิษย์ว่าผู้ใดสิ้นอาตะแล้วผู้นั้นยังไม่กลัวตายพูดมาเดียวนั้นเลยนะ มีพระหันวางรูปเคยเป็นคนสวนรูปคุ้นเคยกับดอกไม้มา ก, มากนั้นเป็นอาหารแล้วเมื่อฉันเลงเสร็จก็เดินข้ามาในสวนชมดอกไม้โดยไม่ทันรู้ตัวครับนี่เป็นแนวโน้มเองซึ่งมีมากมายครับผมคงไม่ต้องเสียเวลามากข้อที่สองข้อสังเกตในวันมาฆะนะครับสงงงถือโอกาสในหน้าอัศจรรย์ น, น, นั้นนะครับ เหตที่เกิดจารุรงสันิบาตดวงจันทร์สวยมาคมาคเลิกก็สงพันสงร้อยสิบรูปมาชมโดยไม่นมหน้าต้หมายันสองร้อยนั้นเป็นอรหันต์เป็นเอหิพิโคอสุสมตาคือท่านบวชให้เองด้วยทีนี้พระเจ้าก็ถือโอกาสนั้นแสดงโอวาทปาธิโมกความอัศจรรย์อยู่ที่ตรงนี้ครับแต่เหมือนคืนมาคาที่แล้วมาไม่มีใครพูดถึงไปพูดถึงเรื่องวาเลนไทยแล้วเปรียบคู่ว่าไหนสําคัญกว่า ก็เลยกลายเป็นเรื่องขำๆสำหรับผมโดยที่ผู้ที่พยายามยกวันมาค้าไอ้สำคัญก็ไม่รู้ว่ามันตองกันตรงไหนแต่ยังไงก็ตามเสียงคอเป็นเรว่างสำคัญกว่าวาเลนไทน์เอ่อข้อสังเกตถัดมานะครับว่าในเมื่อพระอรหันตสาวกพันสองรสิบูปนั้นเป็นอรหันต์สิ้นอาสวะแล้วนะครับพู้เจ้าจะสอนท่านทำไมอีกในนั้นการแสดงโอวาทาริาาโม ใช่จริงนรพระเจ้าเปิดใช้โอกาสนี้วางรากฐานของศาสนาเพราะวันนี้เป็นวันที่หลังจากพระองค์ตรัสรู้ใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์เพียงเก้าเดือนเท่านั้นครับเพียงเก้าเดือนพสาษาที่ท่านบวชให้เองก็พันสองรอห้าสิบรูปแต่ว่าศาสนายังไม่ถูกเลยเอาหลักคือท่านสอนแนะแต่ละคนให้ให้ปฏิบัติแต่ไม่ได้สร้าง หลักการที่พอจะให้ที่จะผลักดันสิ่งที่มีคุณประโยชน์มหาศาลต่อมวลมนุษย์เนี่ยไปสู่โลกกว้างความสกคัญอยู่ตรงนี้ครับดังนั้นสามประโยชแรกที่ท่านทรงเปรงดุธานทาการทำการพระระหันจีนาศพเพียงเพื่อให้เกิดเป็นเอาลายเป็นสมชายสาหหลังมังค่าวนยุ่งงวดนะต้องข อ, อไปด้วยให้เป็นภาพกว้าง ต่อพระอราหันต์เพราะความสามารถของอราหันต์เจ้องค์ไม่ทัดเทียมกันนะ บ, บางองค์ใบสอนเขาแล้วเนี่ยต้องมาถามพ ร, พระเจ้าว่าที่สอนนั้นถูกไหมแต่ว่าตัวท่านนั้นสิน้นสิ้นปัญหาแล้วเพราะเอ่ความสามารถในการสอนมันคนละเรื่องกับการสิ้นนาฏวาครับบางทีพระอรหันต์บางองค์พูดไม่ได้เลยสอนไม่เป็นเลยก็มีหรือบางองค์สอนประโยคเดียวสุขย่อมมีแก่ผู้สิ้นปัญหาแล้วพูดต่อไม่ได้เรื่องมีเท่านั้นเอง ดังนั้นสมประการแรกที่พระเจ้าวางรากฐานให้ต่อท่านผู้บริสุทธิ์เหล่านั้นเพื่อเพื่อได้เป็นคันลองได้นำดวงประที่พุทธธรรมเนี่ยไปสู่โลกกว้างในวันหน้าถือว่าไม่ได้พูดเฉพาะกับพระหานพีนาศก พ, พูดกับพระหานในทุกยุคหรือกับชาวพุทธทุกทุกคนทั่วทั่วโลกแต่สมัยนั้นก็คืออินเดียภาคเหนือเท่านั้นนะฮะ สราวะภัษาอาการนังไม่ทำบาปทั้งปวงนะหลักๆเลยเนะี่ยทำกุศลให้ถึงพร้อมแล้วก็ชำระจิตให้ขาวสะอาดแล้วท่านย้งว่าพระพุทธเจ้าผู้รู้ทุกพระองค์พูดอย่างนี้นี่สำคัญมากนะปัจจุบันนี้เราเลวรวนด้วยหลักกันมากครับไม่รู้อะไรคือสมถะอะไรคือวิปัสสนาพระที่แท้ปฏิบัติยังไงอเล่นการได้ด้วยหรือเปล่าทาบาปด้วยแล้วก็ ตอนธรรมด้วยได้หรืไม่ลดยุ่งมันใหญ่เพราะว่าเราไม่ํามึนถึงหลักเลยเราะนั้นเมื่อพระเจ้ารู้ท่านรู้ชัดว่าพระภิกษุที่นั่งฝั่งท่านคือผู้บริสุทธิ์หลุดพ้นแล้วท่านประทานหลักให้เป็นหลักใชยครับแล้วท่านอ้างโยงถึงพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ด้วยนะต่อมามาท่อนที่สองท่านวางอุ ด, ดมการณ์และพลังที่จะจูงจูงจิตให้ถึงอุดมการ์นั้น โดยตรการท่านอ้างว่านิพพานังประมังวทันนิตุธานิพพานนั้นพระพุทธเจ้าทุกองถือว่าเป็นบรมธรรมเป็นยอดสุดความสิ้นสุขสุดของความเล่าร้อนทุกทรมานใจนะฮะมนันเป็นเป้าหมายที่สาวสวรรค์ไม่ใช่อันนี้ระวังให้ดีนะเพราะว่าเราเราใฝ่คว้าเอาสวรรค์ก็ได้นะเช่นเป็นนั่งสมาธิสงบแจ่มใสแต่ว่านั้นไม่ใช่พระนิพพา น, นะครับที่ว่าพลังก็คือ ขันติครับท่านเออยังว่าขันติเป็นทำเผากิเลสอย่างยิ่งอาศัยพลังขันติท่านแรกนั้นเป็นเป็นเป็ น, ป น, ปนหลักชัยนะเป็นถ้าใช้คำารีนิตี้ดูจะพลึกเนะคือใจยางทั้งสาม่ว่าไม่ทำบาปเหตุที่ใช้คําเป็นหลักเพราว่ายังไม่ได้แจกแจงว่าอะไรคือบาปอะไรคือกุศลอะไรคือกุศลนั่นอีกเรื่องหนึ่งพูดโดยหลักรวมๆกว้างๆเป็นภาพกว้าง ของพุทธศาสนานะครับว่าขึ้นชื่อว่าบาปผู้ชาวพุทธต้องหลีกให้ห่างกลัลเท่าที่จะทาได้แต่แน่นอนนะครับมนุษย์เราทําทั้งบุญทั้งผักคลากระกันไปแต่โดยหลักแล้วต้องต้องละการทําชั่วทุกรูปแบบตามวันเวลาตามสติบัญญาตามสํานึกคนที่เว่ละบาปก็คือคนที่มีสำนึกคนที่มีสำนึกไม่อาจบรรลุทำได้ครับ เราเห็นได้จากปรัชญาขการบวชในพุทธศาสนาพุทธศาสนาจะซักซักถามว่าคุณเป็นมนุษย์หรือเปล่าคำนี้นะฮะี่จริงๆเป็นมนุษย์เคยมีสํานึกเยี่ยงมนุษย์หรือเปล่าแล้วยังมีประจก่าปัญจกะกรรมฐานทดสอบสติว่าฟั่นเฟือนหรือเปล่าให้ท่องเกสารมานาขาตันตะท่องกลับไปกลับมาสิพอท่องได้แสดงนี่เขาเป็นเมล็ดพันธุ์ที่จะรู้แจ้งได้เพราะว่าเมล็ดพันธุ์คือสติ ถ้าสติล้มเหลวบนรล้ทำไม่ได้ครับมีแต่เพี้ยและบ้ารูปเดียวดังนั้นการตรนกรองนี่มีตลอดเวลาแต่เราไม่ได้ใช้มันในทุกวันนี้ครับวันนี้ผวมเสี่ยวกาดพูดมาถึงท่อนที่สามครับอนุระวาโทอนุปคาโตทรงสแสดงไลฟ์สไตล์ของผู้ที่ปรกุญแจนำสันทิภาพมาสู่โลกนี้ชาวพุทธกดีหรือผู้ที่จะทากิจ ที่เรียก peace maker นะครับผู้สร้างสันติภาพในโลกอย่าลืมนะครับพระอราหารนันต์นักบวชคือ peace maker นะไม่ใช่ผู้มากก อ, อกวนความสงบสุขของสังคมมาขย่าวไอ้หลักจริยธรรมหรือทำให้คนสับสนขึ้นไม่เป็นนักบวชนักบวชนั้นนะครับต้องมีอนุปวาโทอนุปกาโตไม่พูดร้ายไม่บิดเบียนผู้อื่นด้วยคำพูดทำให้เขาเจ็บปวดทุกทรมานนะทาไม่ได้ครับใส่ความมันยิ่งทาไม่ได้ ไ ม, ไม่ทําร้ายอนุปปคาโตไม่ทุบไม่ตีไม่แม้แต่จะเงื้อมือจะตีทําไม่ได้ก็ปรับบัตรทันทีครับพราดว่าเงื้อมือจะตีนี่โดนแล้วครับไม่ต้องตีจริงนะเนี้ยข้อตรรมาคืออนุปกนปกาโตอนุปาการโต้ปาดิโมเขยสังว ร, สรวมอยู่ในระเบียบที่ดีงามคือมีดิสซิปริ้นไม่ใช่ปล่อยเละเคะทํทาไงก็ได้ฟรีอะไรนี่นะซึ่งดูไปแล้วบรรยากาศเหล่านี้มันค่อนข้างผมยอมรับว่า สวนทางกับสังคมซึ่งกำลังเรียกร้องเสรีภาพอย่างไร้ขอบเขตทั้งฝ่ายสตรีทั้งฝ่ายบุรุษนั้นเป็นธรรมดาที่ในภายใต้บรรยากาศประชาธิปไตยขยา่าพุทธศาสนาด้วยนะครับสำหรับต่อมานะีมัตตัญญตาจะพัดตัดสรู้สาหรับผู้ที่อยากจะใช้ชีวิตเพื่อสร้างสันริภาพในโลกนี้นะครับไม่ว่าในหน่วยย่อยหรือในในสเกลกว้าง เขาต้องรู้จักประมาณในการเป็นอยู่ซึ่งสวนทางอะไอกระแสรบริโภคนิยมอย่างรุนแรงในทุกวันนี้ครับเห็นว่าพระซื้อลลูขี่กันเป็นแถวไปเลยครับอันนี้น่าตกใจมากที่พระเจ้าเสด็จมาเห็นมันคงปลับอินเดียไว้อย่างไรวันเลยใกล้ๆหมายนึกมาในบ้านเมืองเราอนะะมัตจัญญาตาริพัตตสมิงห์รู้ประมาณในการบริโภคแล้วประมาณของผู้ที่เป็นพิซแมคเกอร์นะท่านอุมาเหมือนนก มีปีกและหางเท่านั้นเองคือพึ่งตัวเองแม้แต่ยาต้องเอามูดและคูดมาทําเลยน้ำมูดเน่าในหมายควาไม่ไม่ใช่อุตริให้กินปัสสวาวะตัวเองไม่ใช่เรื่องอุตริแต่มันกันพึ่งตัวเองอย่างถึงที่สุดก่อนที่อ้าปากเรียกร้องอย่างคนเองเออหลายเดือนก่อนผมเคยพูดในห้องนี้ครับว่าสัลลักษณ์ของขวามเป็นผู้ใหญ่แล้วนี่นะฮะไม่เกี่ยวกับอายุนะฮะก็คือ สิ้นการเรียกร้องต้องการเนี่ยเด็กเรียกร้องโยเยหาความรักของแม่หญิงสาวก็หาความรักไอ้าชายหนุ่มหรือชายหนุ่มจากหญิงสาวมีเสียงเรียกร้องต้องการครับพ่อแม่ก็คำชวนถึงความกระตันยุงลูกซึ่งอายุไม่เกี่ยวข้องใ น, นหมายความว่าวุฒิภาวะยังไม่ยังไม่งอกงามครับแต่วุฒิภาวะในพุทธศาสนาะคือความเป็นผู้ใหญ่โดยทางธรรมนี่นะครับคือสิ้นการเรียกร้องต้องการเนี่ยพุ่ เพราะว่าหลักอีกสำคัญไว้กันึงคือถึงที่พึ่งในตนเองอัตตาหิอัตโนโนาโถกอหินาโถบ ร, รโรสิยาท่านพูดอย่างนี้นะต้นเป็นที่พึ่งของตนใครไหนเป็นที่พึ่งของแกได้เล่าไอาแกผมเต็มแค่นี้คือเธอนน่เองเนะครับดิฉันเตือนเลยว่ามีที่พึ่งอยู่ในภายในนี่สำคัญมากนะ หลักที่ว่าให้เป็นอยู่พอดีมัตตัญตาแปลพอประมาณครับอย่าให้ถึงกัลําบากอืเอาคุณค่าแท้ยาวคุณค่าเทียมเช่นเสื้อผ้าไม่จำเป็นต้องแพงแล้วไม่จำเป็นต้องสวยหรูไม่จำเป็นต้องนำสมัยจัดแต่เพื่อปกปิดร่างกายให้เกิดความอุ่นท่านในชีวคุณค่าแท้ไว้มากนะในบทที่เรียกว่าปัจจเวทขณะผู้พูดสาาชบ้านแปลว่าบทตรายตรองเกี่ยวกับ เื้อผ้าอาหารยาก่าโรคและที่พักอาศัยโดยพ่อที่อาศัยเป็นเพียงเคืองมุงบางเหลือบยุงลมแดดเท่านั้นเองครับไม่ต้องหรูไม่ต้องทรงสเปนไม่ต้องทรงมิตรไม่ต้องทรองอะไรทั้งนั้นเพราะนีง อ, อ, อีกท่อนท้ายครับของโอวาตปาดิโมก็คือเสพเสนสนะอันสงัดมีสำคัญมากทุกวันนี้ความเงียบไม่ได้เป็นสาระของชุมชนอีกแล้วครับ โดยเฉพาะเมืองมหานครใหญ่ๆนี้เป็นแหล่งโลกีแล้วแต่พระคื้นไปเที่ยวแปล ว, ว่าสุดขั้วไปเลยครับเพราะพระนั้นจิตใจของพระนั้นงอกงามเจริญหรือจิตใจของคนทั่วไปเนี่ยที่เป็นชาวพุทธจะงอกงามขึ้นในความสงัดท้งสงัดทางนอกคือไม่วุ่นวายไม่เสียงทุกพลานและที่แต่ที่สําคัญที่สุดคือความสงัดของหัวใจครับความสงัดที่นี่นี่นเป็นสิ่งที่ชําระบาป ทำระความสับสนจัดระเบียบของเรือนใจใหม่จัดคลื่นสมองให้เป็นระเบียบนันความเงียบนะทั้งที่เป็นลูปธรรมและทั้งความสิ้นปรารถนากิเลสตนาไม่อยากได้อะไรมันกลายความเงียบอีกแบบนึงครับเหมือนผมเคยพูดในห้องนี้ว่าสิ่งไหนมีราคาสูงก็เพราะเรามีราคามากราคากับราคาสับเดียวครับเพราะมันมีราคาเพราะเรามีราคาต่อมัน มันจึงมีราคาถ้ามันมีราคานี่มันเป็นศูนย์ทันทีครับคือถ้าเราไม่อยากได้มันมันจะเป็นศูนย์ทันทีเลยทันใดที่ความรู้สึกสิ้นปล่าถนาสิ่งหนึ่งปลงนะความสงัดชิ้นหนึ่งจะล่นซ่านไปทั่วเรือนร่างนี้ครับและจะสัมผัสวัตถุธาตุที่เป็นมูลธาตุธาตุฐานดั้งเดิมของมนุษย์ได้ซึ่งเป็นธาตุเดียวกับจักรวาลทั้งหมด สำหรับผู้ที่บรรลุความสงบทางใจแล้วนั้นซึมซับอยู่สิ่งนี้ข้อสุดท้ายของออผมแขว่นนิดนะครับเพราะว่าทภ่ปโมกข้อที่ว่าเสษเสนาอันสงัดนั้นอาจจะนำมาเป็นบาดฐานในการพัฒนาประเทศได้ไม่ต้องพัฒนาให้มันเป็นที่สงัดเหมาะที่จะเรินภาวนาร้ายที่ก่อนผมไปแวะเยี่ยมที่ <c oughs> นะครับทีงกฤษในย่านซึ่งคล้ายๆกับสุุมวิทเก่าของเรา ต้องเน้นมเมื่อก่านนะสมัยนี้ก็ไม่เงียบเลยครับจะหัวถนนสู่ท้ายซอยนั้นตบดึกได้ยินในเสียงหมาเห่าแววแวๆครับแต่ประเทศของพุทธในแปลกกลับวุ่นวายขึ้นที่ในปาลผมสังเกต ด, ดูชาวต่างชาติที่เป็นฝรั่งจากยุโรปและอเมริกาจะอองที่ร้านขายประคำเครื่องมือทางวิญญาณภาพทังกาภาพโบราณ หรือพทรูปเก่ามากๆแต่ชาวในปลานมุงมันที่ร้านสายกนาฬิการุ่นใหม่คอมพิวเตอร์มุ่งโลกกำลังกลับขั่วครับประเทศที่เคยรุ่งเรืองทางวัโนธรรมเนี่ยศู์สิส้นทางของตัวกลางคนไม่รู้จักรากเ่าของตัวเองว่าอะไรดีอะไรไม่ดีแล้วไคว้าอะไรซึ่งคิดว่าเป็นสิวิัยในขณะที่คนทางวันตกเขารู้กันแล้วครับว่าวัตถุ เมือ่ออาจเติมหัวใจให้เต็มอิ่มได้นอกจากมันเติมไม่อิ่มแล้ว ม, มันทําความทุกข์ทรมานจากการมีมากและต้องปกป้องไม่เชื่อลงมีเสื้อสักยี่สิบตัวครับคุณจะมีปัญหากับมันมากๆเลยแล้วเขาก็เริ่มรู้ว่าเขาขาดอะไรวิลิบลันปราดตวันตกเนี่ยเขาชี้ชัดมากก็บอกว่าตวันตกมาถึงทางตันแล้วครับเพราะการสร้างสารรค์ทางวัตถุทำนะครับ ถึงจุดที่เรียก overstructuring เกินแล้ว้ลนล้นจนวาคนในกลางสิ่งว่างเปล่าในะท่ามกลางตึกรามมันช่องเครื่องมือเครื่องคนโดยเฉพาะคอมพิวเตอร์ทางมนุษย์นี่ไม่มีความหมายอะไรเลยครับสํานักงานสถาปิกรรมแห่งหนึ่งนะครับสำนักงานออกแบบลงทุนซื้อคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวปลดสถามนิกออกห้านายได้เลยครับเพราะฉะน้เครื่องจกักรโดยเฉพาะไอ้คอมพิวเตอร์มันเข้ามาแล้วทําให้คนหมดค่าลงทันทีครับ ความเงียบเป็นกานสานของชีวิตนะครับศิลปินนักแต่งเพลงก็ดีรู้ว่าในความเงียบเขาจะนิพนธ์โน้ตเพลงได้อย่างกลมกลืนและไพเราะศิลปินต้องการระเบียบแม้ข้างนอกจะรุมร่ามเขารู้ว่าในความสงัดภาวะสร้างสรรค์มิเกิดขึ้นในความเงียบๆหนึ่งครับซึ่งในนี้เราไม่เข้าใจเรากลับคิดว่ามันต้องชองชา ง, งมากมาก เราจึงเจริญก้าวหน้าไม่เป็นอย่างนั้นเลยครับเราสามารถไปยุโอุวาตาปาทิโมกประการนี้เข้าสู่โครงสร้างชุมชนได้ถ้ารัฐบาลลืมหูลืมตาเลยแตนน่นเรามุ่งไปอีกทางหนึ่งเรามุ่งที่จะให้ความสง่าเ น, นื้อหายไปให้หมดแล้วปิดล้อมเราให้รับรู้แต่เรื่องที่ที่เราจะสูญสิ้นอิสรภาพ และภูมิบัญญาลงไปทุกทีถ้าไม่เชื่อผมลงไปห้างซูเปอร์มาร์เก็ตครับเราจะไม่พบนาฬิกาบอกเวลาเลยสถานที่นั้นเขาอยากให้เป็นอากาลิโกครับคือหลงไหลซื้อข้าวซื้อของจนหมดเมื่อหมดตัวจะมีนาฬิกาบอกเวลาเฉพาะมุมที่ขายนาฬิกาเท่านั้นนี่ข้อสังเกตของผมหลายแห่งมากครับแล้วทุกคนไปอวันเสาร์วอาทิตย์นี่เราปเป็นโบสครั้งอดีตนั้นเสาร์อาทิตย์ก็ต้องไปโบสถ์ไปวัด ไม่ใช่เพียงไปเลี้ยงพระไปเสพความสนัดไปชำระไอ้สิ่งที่มักหมมนั่นเองครับเราสูญเสียหลักหมดที่แล้วในทุกวันนี้ครับข้อสุดท้ายนะครับทิจตเตยจะอาโยโกลสุจิตข้อประโยคสุดท้ายของวารเตโมกเนี่อาศัยอนุอาการไม่พูดร้ายไม่ทำร้ายอะไรนะรมีชีวิตอยู่พอดีพดีมาเรื่อยจนเสพเสนานสนัท ยกจิตขึ้นสู่ภูมิที่สูงขึ้นยิ่ ง, งขึ้นแม้เป็นอาหารแล้วก็ต้องฝึกจิตครับถามว่าฝึกไปเพื่ออะไรท่อนต้นนั้นท่านฝึกเพื่อสิ้นอสวะเพื่อสิ้นกิเลสเพื่อเข้าถึงการจรสรู้การได้พระโพธิญาณแต่พระเจ้าทรงตรัสเองว่าแค่นั้นยังไม่พอฝึกจิตมันเป็นเรื่องฝึกกูมัญญาให้ลุ่มลึกไม่รู้จบครับในพิสูจน์หนึ่งท่านตรัสว่า ความสมบูรณ์ของสีนั้นไม่พอสมบูรณ์ของสมาธิก็ยังไม่พอสมบูรณ์ของปัญญาก็ไม่พอสมบูรณ์ของวิมุตติก็ยังไม่พอต้องบอกถ้าจะให้พอต้องเกื้อกูลแก่มหาชนนี่เป็นความตการสูงสุดของพุทธศาสนาครับเราไม่ได้ฏปฏิบัติเพื่อตัวเรานะัเราปฏิบัติเพื่อความสมบูรณ์ของระเบียบวินัยฟื้นฟูพลานามัยของจิตคือสมาธิ และในการสแสวงหาสันติธรรมดื้อดำในห่วงลึกของชีวิตซึ่งผมจะกล่าวในลําดับถัดไปนะครับโดยย่อแล้วถ้าเราไม่สามารถสแสวงหาความสุขสันติธรรมในห่วงลึกของชีวิตได้เราต้องไขว่คว้าจากข้างนอกแน่ครับและในการที่คนเป็นจํำนวนมากหรือมหาชนไขว่คว้าหาความสุขจากข้างนอกนั่นเองเป็นสาเหตุในการทะเลาะเบาแวงขัดแยง้งทุบตีฆ่า นี่เป็นสิ่งที่สำคัญมากครับผูหหท้ที่แสวงหาสันติธรรมในห้วงลึกของชีวิตได้ความสุขช่นนั้นท่านเรียกว่านิรามิตสุขสุขซึ่งไม่อิงเหยือ่อคือไม่ต้องกินเหยือ่อแต่มันสุขได้ในตัวมันเองเป็นความเต็มเปี่ยมตัวมันเองเป็นดุลยภาพของธรรมชาติแต่โดยเฉพาะธรรมชาติแห่งหัวใจมนุษย์พระอวตารปาฏิมโมกที่พระพุทธองค์ท่านทรงแสดงนะครับให้ผู้ฟังซึ่งเป็น ด, ดวงจิตที่หลุดพ้นแล้วบริสุทธิ์ฝึกผอง มีสาระสําคัญต่อโลกนี้มากครับสาระสำคัญตรงที่ว่าท่านดรมูนนอหลักทั้งหมดมาแล้วยิงชี้แนะต่อไลฟ์สไตล์สำหรับผู้ที่จะเป็นพชรเมคเกอร์เขาต้องไม่ทํำลายผู้อื่นด้วยวาจาด้วยกายนะแล้วเขาต้องสวบรวมตัวเองให้ใ ห, ใ, หให้มีระเบียบวินัยที่ดีงามเขาต้องเป็นอยู่ที่มัธยัตินะเขาต้อง เป็นมิตรสนิตกับความสงบความเงียบเพื่อฟื้นฟูพลานามัยและฟูบนปัญญาเขาต้องยกจิตขึ้นในทุกๆช่วงของชีวิตเพื่อเหมาะสมที่จะเป็นพี a เมกเกอร์เาสอนพระเจ้านั้นไม่ต้องเอ่ยก็ได้นะครับว่าทันสมัยอยู่เสมอที่จริงคำว่าทันสมัยอยู่เสมอนี่ไม่เหมาะไม่ควรด้วยซ้าที่จะนำมารองรับคือมันเป็นอาการลิโกครับเป็นสิ่งที่ไม่ขึ้ น, นยุคสมัยเลย เพราะอะไรครับเพราะเป็นตัวสัจธรรมซึ่งไม่เกี่ยวกับมนุษย์ตรงนี้อาจจะแปลกนะครับเพราะว่าการสํารวจท่องสํารวจชีวิตผมจะเริ่มต้นบรนี้นะครับว่าขออนุญาตใช้สังเกตและเป็นสาษาอังกฤษของผมเองด้วยนะครับคือไม่รับรองกับเจ้าของภาษเาเขาใช้อย่างนี้หรือไ ม, ม่เพราะาต้องการจะใช้ณที่นี้เพื่อประโยชน์ของ สิ่งหนึ่งเท่านั้นเองเมือนทั้งวิาศาสตร์เข้าห้องแลบทดลองเราเรียกว่าฝรั่งเรียกว่า experiment ทดลองแล้วในการทดลองเขาต้องมีระเบียบมีการคาดการเหรือ่า hypothesis ตั้งสมมติฐานแล้วก็ทดลองตามระเบียบมีระเบียบมีวาระอะไรผลที่ออกมาตรงก็ได้หรือไม่จงก็ได้หรือพบบางสิ่งซึ่งไม่ได้ตั้งใจจะค้นหา คำตอบแต่มันปรากฏขึ้นก็ได้ครับแต่ไงก็ตามการเอ็กซ์เพรลเมนต์ทดลองเช่นนี้เนะี่ยมีระเบียบกฎเกณฑ์มีการอย่างรู้ไปลงหน้าคาดการอาจจะปิดอาจจะถูกก็ได้แต่อีกคหนึ่งคือ exploration ความหมายของผมคือการท่องสำรวจซึ่งไม่รู้อะไรจะเกิดขึ้นครับเหมือ น, นเราไปสำรวจเกาะสักแห่งหนึ่งซึ่งไม่มีรอยเท้ามนุษย์เลย ไม่มีร่องรอยของมนุษย์เลยภูเขาทุกลูกบนเกาะหลงสํารวจนั้นไม่มีชื่อสภาพสิพสงเหมือนก่อนนั้นไม่มีใครขนานชื่อมันขึ้นมาการท่องสํารวจจึงไม่มีแผนการใดเลยนอกจากสติสมปรุดีที่ปกติมากๆเท่านั้นเองครับนี่เป็นสิ่งสาคัญมากครับใคยใดพระเจ้ายังประทานเน้นในเรื่องสติปัฏฐานสี่เป็นอย่างมากครับ สงย้ำว่าเป็นทางทางเดียวเท่านั้นเอกายโนมัคโคพิกเวทอะราั้นดูก่อนพิสูตทางนี้เป็นทางเดียวเท่านั้นเพื่อความสมบูรณ์ปัญญาเพื่อวิมุตตเพื่อหลุดพ้นเพื่อรุ้อะไรจะตามมาจากการจเจริญสติปัฏฐานสีนะครับ แ, แสดงเครื่องมือในการแสวงหาความรู้แจ้งมีแล้วในเราในเครื่องมือเครื่องมือนี้ออดย่ ยังไม่สำแดงพลานุภาพของมันออกมาเนื่องจากเราจับกลไกไม่ได้หรือเนื่องจากมันหมักหมมอยู่จนมีคราบคลเป็นสนิมหรือเปรียบด้วยเพชรซึ่งตกลงมาในโครนตมสิ่งที่ช่งางจขาเจรไนไว้อย่างวนนามยิ่งนะประสิทธิภาพของเพชรความเป็นเพชรเมร็ดจรดแฟนะถูกไอ้ขี้โครนคุมไว้ หน้าที่ยังเรามีประการเดียวครับไม่ใช่โยนเพชรมันนั้นทิ้งโดยความเขา้าใจผิดผมก็จะพระเจ้าไม่ได้สอนอะไรเราเลยนอกจากทรงปลุกเราให้ศรัทธาในธรมรมชาติแท้ของหัวใจเท่านั้นั้งหนึ่งในห้องนี้ผมเคยบรรยายว่าพระพุทธเจ้าทรงเข้าถึงธรรมนิยาม